ปฏิป ส, สัมเพตพระเตจตาลิกะว่าด้วยองค์43ของภิกษุที่สงพึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือ 1. ไม่ให้อุปสมบท ไม่ให้นิสัย 3. ไม่ใช้สามเณรอุปถาก 4. ไม่รับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่สั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้และหมดที่2ภิกษุทั้งหลาย สงพึงระงับอุเคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบได่องค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสง์ลงอุเคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติอีก 2. ไม่ต้องอาบัตอื่นทํานองเดียวกัน 3. ไม่ต้องอาบัตที่เลวซามกว่านั้น 4. ไม่ตำหนิ ก, กรรม 5. ไม่ตาหนิภิกษุผู้ทำกรรมภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปณียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปณียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ยินดีการกราบไหวของปกตัตะภิกษุ 2. ไม่ยินดีการลุกรับของปกตัตะภิกษุ 3. ไม่ยินดีการประนมมือของปกตัตะภิกษุ 4. ไม่ยินดีสามีจิกรรมของปกตัตะภิกษุ 5. ไม่ยินดีการนำอาสนะมาให้ของปกกัตตะภิกษุภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเคปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแกภิกษุผู้ประกอบไดยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเคปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแกภิกษุผู้ประกอบไดยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1>, 1. ไม่ยินดีการนำที่นอนมาให้ของปกก ต, ตะพิสุทิ์สอ 2. ไม่ยินดีน้ำล้างเทา้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของปกก ต, ตะพิสุธิ์ 3. ไม่ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของปกก ต, ตะพิสุทิ์สไม่ยินดีการรับบาดและจีวรของปกก ต, ตะพิสุทิ์ห ไม่ยินดีการที่ปกตะตะภิกษุถูหลังให้ในคราวอาบน้ําภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบได่องค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่หภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. Us, 1. ไม่ใส่ความปกตตะภิกสุด้วยสีลวิบัติ 2. ไม่ใส่ความปกตตะภิกษุด้วยอาจาราวิบัติ 3. ไม่ใส่ความปกตตะภิกษุ ด, ด้วยทิฏฐิวิบัติ 4. ไม่ใส่ความปกตตะภิกษุ ด, ด้วยอาชีววิบัติ 5. ไม่ยุยงปกตตะภิกษุให้แตกกัน ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่6ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคารืหัดสอง ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียวที 3. ไม่คบพวกเดียวที 4. คบพวกพิกษุ 5. ศึกษาศิกขาบทของพิกษุพิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่พิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แหลหมวดที่7 ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่อยู่ในอาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 2. ไม่อยู่ในสถานที่มิใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 3. ไม่อยู่ในอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกตตะภิกษุสี 4. เห็นปกตตะภิกษุแล้วลุกจากอาสนะ 5. ไม่รุกรานปกตตะภิกษุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหารภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัต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 เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แลปฏิปัสัมเตพตพระเตจตารีสกะในอุเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตจบ